น, น้อมต่อคุณพระตนตรัยโครการคณะสงฆ์ทุกท่านจเจริญธรรมแม่ทีระยะที่ทำทุกท่านเนาะวันนี้ก็เป็นวันพระเนาะก็เราก็มาร่วมกันทาวัดฟังธรรมกันนะเพื่อจ ะ, จะเจริญนะให้เรามีสติปัญญาได้มากขึ้นเนาะะใน พุทธศาสนานะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ต่างจากพระศ า, า, าสนาของศาสนาต่างๆนะเพราะว่านะความเป็นศาสาของพระพุทธเจ้านี่ก็มาจากเริ่มต้นจากความเป็นสามัญชนนะแต่ว่าเป็นผู้ที่นะมีปัญญาสูงนะคือสามัญชนทั่วๆไปเนี่ยเห็นความ เกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดานะแต่พระเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะเพราะนั้นจากความที่ท่านมีปัญญานี่แหละท่านก็เลยคิดว่าเมื่อมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะนั้นก็ต้องมีความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะก็คือสิ่งที่เป็นความเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือความทุกข์ อันนี้จะเห็นว่าจริงๆเขามีน้อยคนจะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์นะคือคนเราเนี่ยส่วนมากจะกลัวตายไม่กลัวเกิดกันนะนะเพราะฉะนั้นคนที่เห็นว่าความเกิดเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยจะมีน้อยมากนะแต่ว่าพระเจ้าก็กลับเห็นว่าเออความเกิดมันเป็นความทุกข์นะแล้วมันต้นเหตุแห่งความทุกข์ต่างๆที่ตามมานะเพราะฉะนั้นมันก็ตึงต้องไม่มีการเกิดนะ นี่ก็คือปัญญาในระดับหนึ่งที่ว่าทรงมองเห็นในตรงนั้นนะและจากการที่ท่านก็เป็นปุรุชนมาก่อนนะท่านก็ค้นคว้าศึกษ า, าปฏิบัติในทางรางกายจิตใจนะจนกระทั่งท่านเข้าใจธรรมะแล้วก็นำสิ่งที่ท่านได้ค้นพบนี่แหละเอาม า, าเผยแพร่าามานำมาสั่งสอนให้กับผู้ที่ เราฟังแล้วก็เดินตามท่านแล้วก็สามารถพุ่งพ้นทุกได้มากมาย น, นี่จริงจะเห็นว่าการกำเนิดของพุทธศาสนานี่ต่างจากที่อื่นนะเพราะจริงๆรแล้วไม่ใช่ว่าเป็นหลักเกณฑ์อย่างใดดังหนึ่งที่เป็นการตาตัวแต่ว่าเป็นสภาวะที่เกิดจากการที่ได้มีการกระทำเกิดขึ้นแล้วแล้วก็นำสิ่งนี้กระทำนั้นนำมาขยายนามา สั่งสอนเพื่อให้ผู้ที่ทำตามนั้นนะเกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นถึงความพ้นรู้ได้นะโดยที่ไม่ต้องไปเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นการเรียกว่าเป็นความศรัทธาเฉพาะสิ่งนะเมื่อมีความศรัทธาแล้วปัญญาก็จะลดลงนะแต่เมื่อมีปัญญาแล้วนะมันก็จะหลุดพ้นจากความเชื่อในลักษณะที่ว่าเป็นความศรัทธาเหล่านั้นลงไปได้ เพราะนั้นศรัทธาจึงเป็นกำแพงกั้นปัญญาในระดับหนึ่งนะเราจะเห็นทุกวันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะโอ้อะไรกันนักหนาเนาะศรัทธานั่นแหละทําทให้ปิดกั้นปัญญาจริงๆนะแต่พุทธาสนานี้เป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงนะคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเฉพาะชาวพุทธนะที่เมื่อเข้ามาประพฤติปฏิบัติในพุทธานานี้อาจจะหลุดพ้นได้ แม้แต่ในศาสนาอื่นใดๆนะไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาไม่ได้นิดเดียวก็ถ้าไปบัติตามคําสอนนี้ก็หลุดพ้นได้ทุกคนนะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาใดใดทั้งสิ้นเลยนี่แหละคือความเป็นสากล น, นะเป็นสากลจริงๆนะอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆนะเพราะตรงนี้ความที่ว่าเราพ้นทุกข์ก็คือเรากลับมาศึกษากายและใจเราเท่านั้นเองนะนะในคําสอนพุทธานถ้าเราศึกษาดีแล้วไม่ได้ไปพูดหรือศึกษาในเรื่องอื่นไกล เท่าใดเลยนะทั้งหมดที่คือกล่าวก็คือเรื่องกลับมาย้อนกลับมาศึกษากายและใจของเราทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมาศึกษากายและใจเรานี้เราก็จะเห็นสิ่งต่างเกิดขึ้นในใกายและใจเรามากมายโดยโดยวิจยัยของเรานะถ้าเราดูให้ดีแล้วอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินที่กล่าวว่าจิตนี่แหละคือพุทธะเนา ะ, ะพุทธะก็คื อ, อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน นั่นเองก็คือหมายความว่าทุกๆคนนะมีจิตที่เรียกว่ามันมันพร้อมที่จะตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าเรากลังเห็นความจริงในตรงนี้ได้ไหมนะครัวนี้นะก็มีสิ่งต่างๆที่ว่ามันเกิดขึ้นในจีวิตประจวันมากมายที่เราสามารถสังเกตจิตใจของเราได้ไหมในตรงนี้ที่มันมีการเคลื่อนไหวไปในอาการต่างๆเนาะอย่างเช่นนะครั้งหนึ่งที่ในประเทศจีนนะ ก็มีมีวัดที่มีผู้ที่มาชุมนุมฟังธรรมกันมากมายในขณะนั้นก็มีมีธ ง, งก็พัดสะบัดไหวไปมาอยู่แล้วก็มีพระบอกว่าเนี่ยลมมันไหวนะพระ อ, อีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ลมไหวแต่ธงมันไหวต่างหากก็เถียงกันเช่นั้นว่าคนหนึ่งบอกลมไห องแล้วบอกว่าทงมันไหวแต่ในขณะนั้นนะก็มีบุรุษผู้หนึ่งบอกว่าไม่ใช่ทั้งลมไหวไม่ใช่ทั้งทงไหวแต่จิตของท่านนั่นแหละไหวนะปรากฏว่าก็เกิดการตื่นตะลึงในหมู่ชนเหล่านั้นว่าเอออันนี้เป็นเรื่องจริงนะลมและทงมันมันมันไม่ใช่อาการที่มันไหว แต่ว่าจิตเราภายในมันไหวเองนะคือไปดูแต่ภายนอกไม่ได้กลับมาดูจิตของเราเรียกว่ามันไหวนะเพราะนั้นคนส่วนใหญ่เขเป็นแบบนี้เมื่ออะไรเกิดขึ้นเราเราจะไปสังเกตเพียงภายนอกเท่านั้นเขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกแต่ไม่ได้ย้อนกลับมาดูภายในว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาในใจของเรานะแล้วก็บุรุษผู้นั้นก็คือต่อมาท่านก็คือท่านเวลาย่งพระสังฆปรินายกองที่6ของประเทศจีน นะซึ่งมีชื่อเสียงมากมายนะทุกวันนี้คนก็ยังนับถือกันมากนะแม้แต่ผ่านมาเป็นเป็นพันกว่าปีแล้วร่างกายของท่านก็ไม่น่าไม่เปื่อยนะก็คงสภาพเดิมทุกอย่างนะมีสภาวธรรมที่สูงมากนะจึงเห็นว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าท่านท่านไม่ได้ส่งจิตออกนอกนะก็คือเหตุการณ์ต่างๆภายนอกท่านท่านก็กลับมาดูภายในได้ดูครั้งว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันเคลื่อนไหวอะไรที่เป็นกระเพื่อม อะไรที่มันเกิดสภาวะเปลี่ยนแปลงก็คือจิตใจคนเรานั่นเองนะจะสังเกตว่าบางทีมีคนเข้ามาชมเรานะเราก็มีความดีใจไปในความดีใจเหล่านั้นนะแต่ก็ไม่ได้กลับมาสังเกตว่ามีความพอใจดินดีเกิดขึ้นมาในใจของเรานะไม่ได้กลับมาดูจิตของเราว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจของเรานะ แลในขณะเดียวกันถ้ามีคนามากล่าวคำไม่ดีกับเร า, ามาติเตียนมาว่ากล่าวาม า, าด่าว่าต่างๆเราก็มีความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วเราก็เพ่งไดคนเหล่านั้นว่าเขามาว่าเรานะในขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยย้อนกลับมาดูจิตของเรา เ, าเลยว่าขณะนี้จิตของเรามีอะไรเกิดขึ้นใน ใ, นใจของเรานะไม่ได้สังเกตว่ามีความไม่พอใจมีความโกรธเกิดขึ้นมาใน ใ, นใจของเรา ซึ่งเป็นอาการของไหวอาการไหวของจิตนะอาการกระเพื่อมอาการอาการของจิตที่มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจของเรานะเราไม่เคยกลับมาสังเกต ด, ดูเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปของปุถุชนทั่ ว, ว, วไปนะก็จะส่งจิตอ น, อนอกเป็นประจำนะอะไรไปตามลมต่างๆที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าไ ม, ไม่เคยกลับมาสังเกตว่าอะไรเกิดขึ้นใน ใ, นใจเราในขณะนั้น นะการที่เรากลับมาสังเกตอาการในใจของเรานี่แหละมันเป็นหนทางแห่งความที่เรียกว่ามีสติมีปัญญาอยู่ในตรงนั้นนะจึงจงเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องสังเกตอาการต่างๆของใจของเราให้ทันนะถ้าเราสังเกตไม่ทันมันก็จะไหลนะเาเรียกว่าเมื่อจิตนะมันมันรู้ไม่ทันมันก็จะไหลนะเเรียกว่ามันหลงนะการที่เรารู้ไม่ทันมันหลงแล้วมันก็ไหลไปนะ หลงก็คือเรารู้ไม่เท่าทันในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไหลเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นนะเป็นความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความอิจฉาริษยาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดความกลัวต่างๆมากมายนะก็ปรากฏขึ้นมาในตรงนั้นโดยที่เรารู้ไม่เท่าทันเลยนะ แล้วก็ติดอยู่ในอาการเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นเป็นเวลานานๆก็มีเนาะเนี่ยก็รู้ว่าเราเราไม่ทันจิตใจของเราเพราะฉะนั้นอ <c oughs> ที่บอกว่าจิตใจเป็นพุท ธ, ธะนั่นก็ถูกต้องแล้วนะคือการบราธรรมทั้งหมดก็กลับมาศึกษาใจของเราในแหละว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจของเราเท่านั้นเองนะแล้วหลังจากที่เรารู้อาการในใจของเราก็คือเราก็รู้เฉยๆเท่านั้น นะการรู้เฉยๆก็คือรู้ตามความเป็นจริงที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงจัดการนะไม่เข้าไปกดขม่มบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะเพราะการที่เร า, าเห็นธรรมะตามความเป็นจริงที่เขาแสดงออกนั้นะก็คือตรงนี้อาจจะกล่าวได้ ว, ว่าเป็นวิปัสนาคือเราสามารถเห็นความจริงในความที่ว่าเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถดับไปโดยที่เราไม่ต้องไปทําให้เขาดับ แต่ว่าเขาก็ต้องดับแน่นอนนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยต้องดับแน่นอนดูได้ว่าเขาจะดับเร็วหรือดับช้าเท่านั้นเองนะแต่เมื่อไรที่เราเริ่มเข้าไปแทรกแซงเริ่มเข้าไปจัดการกดคมให้เขาเป็นไปตามต้องการเราก็จะไม่เห็นสภาวะที่เขาเกิดดับนะตามความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดมีการเป็นตัวตนเกิดขึ้นว่าเราสามารถเข้าไปจัดการนะเขาให้เป็นไปตามเราต้องการได้นะ กาเราไปจัดการสภาวธรรมทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการนั้นก็เรียกเป็นสมถะเพราะเป็นการแทรกแซงเป็นการบังคับเป็นการกดข่มเขาให้เป็นตามเราต้องการนะก็เหมือนกับว่าเราจัดไม่ดีก็ทําให้เขาดีนะไม่สงบก็ทําให้ให้เ้าสงบต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการแทรกแซงเป็นการกดข่มเป็นการที่เรียกว่าไปจัดการเขาเราก็จะไม่เห็นสภาวธรรมที่เขาเกิดระดับตามความเป็นจริงนะ อันเนี้ยก็เป็นการที่เราเ <sequences S 2> พื่อให้เราเห็นว่าสภาวะรมทุกอย่างนั้นเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะอ่าเขาจะเกิดอ่าาจะมาเขาจะไปเขาจะเป็นอย่างไรเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนะแต่แเราเห็นในตรงนี้เมื่อเราเห็นบ้าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้บ่อยๆนะบ่อยๆครั้งนะหลายๆครั้งนะมากๆจิตก็จะเกิดความเข้าใจในความที่ว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นั่นแหละอ่าเขาจริงไม่ใช่ตัวเมยตนของเรา นะแต่ถ้าตาบใดที่เราบังคับบัญชาเขาได้ให้ก็เป็นไปนตาบที่เราต้องการนั่นแหละคือความเป็นตัวเป็นตนของเรานะมันก็คือความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนะมันก็คือเมื่อตัวเราแล้วมันก็จะไม่ออกจากตัวเรานะมันเป็นความยึดติดนะเป็นความที่เราว่าเรารักเราผูกพันยึดมั่นว่าเป็นตัวเรานะมันตรงนี้แหละคือสาเหตุแห่งความทุกข์นะทุกอย่างมันเกิดจากตรงนี้ทั้งนั้นเลยความทุกข์เกิดจากตัวเราเนี่ยเป็นใหญ่ ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราเนี่ยเป็นใหญ่แล้วหลังนั้นก็จะไปยึดมั่นสิ่งต่างต่อว่าเป็นของเราเป็นลูกของเราเป็นสามีเป็นภรรยาของเราเป็นทรัพย์สินเงินทองของเราเป็นบ้านของเราเป็นรถยนต์ของเราทุกอย่างก็เป็นของเรามากมายนะเพราะนั้นสิ่งที่เรายึดมั่นนั่นแหละมันจะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมันมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความสูญหายความเสื่อมสลายความทนในภาวเดิมไม่ได้ทั้งนั้นแล้วเราก็จะเป็นทุกข์ กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นตลอดไปรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะนะ ม, นมันจริงว่าออถ้ากลับมาศึกษากายใจของเราแล้วมันจะขนทางมันจะสั้นลงนะหรืออย่างทีนะ่ในสมัยที่ท่านเวลางที่ท่านศึกษาธรรมะใหม่ๆนะตอนนั้นท่านก็เข้าใจธรรมะในระดับหนึ่งเหมือนกันนะแล้วท่านก็เดินทางไปอยู่กับพระสังฆปริญญาโยคองค์ทนะี่ห้าตอนนั้นก็ ก็ได้ไปอยู่โรงครัวไปช่วยตําข้าวผ่าฟืนที่โรงครัวเป็นเวลาถึง8เดือนกว่าแล้วท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไรหรอกแต่ว่าในขณะนั้นท่านก็จิตใจของท่านก็มีธรรมะในระดับนึงแล้วต่อมาพระสังฆะองค์ที่5ก็ท่านก็อายุมากแล้วก็อยากจะหาผู้สืบต่อเป็นพระสังฆะองค์ที่6ต่อท่านก็อยากจะดูว่าผู้ใดที่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมในระดับนึงแล้ว ก็จะตั้งให้เป็นสืบตําแหน่งต่อไปท่านก็ประกาศให้ให้ลูกศิษย์ทุกคนเขียนสโลกธรรมขึ้นมาเพื่อจะดูว่าผู้ใดสามารถเข้าถึงธรรมแล้วก็จะได้ตั้งให้สืบตําแหน่งต่อไปอตอนนั้นก็มีลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่อยู่องค์หนึ่งนะที่มีนามวชินเชานะซึ่งก็เป็นหัวหน้าซึ่งในการเป็นอาจารย์ที่จะสอน พระรุ่นน้องๆต่อมานะ ค, อคือทาหน้าที่แทนเจ้าวาดนั่นเองนะครัน้นี้ก็เมื่อประกาศเช่นนั้นแล้วลูกวัดต่างๆก็ไม่มีใครกล้าเขียนนะก็คิดว่า อ, อ, อาจารย์ของตัวเองคือชินชาวนี่ก็น่าจะได้รับตำแหน่งนั้นนะเพราะทุกวันนี้ก็เปอาจารย์สอนอยู่แล้วนะพวกเราก็คงไม่ไ ม, ไม่ไม่อาจที่จ ะ, ะขึ้นไปก้าวที่จ ะ, สะแสดงธรรมแข่งอาจารยนะ์ในตรงนั้นก็ไม่มีใครเขียน ก็ให้ท่านชินชาวเขียนคนเดียวก็แล้วกันครนะั้นท่านชินชาวก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าดึงทรรมในระดับไหนนะก็เลยไม่กล้าเขียนส่งนะพระสังฆะองค์ที่ห้านะแต่ก็ตัดสินใจว่าเขียนไว้ที่ฝามานังแล้วกันนะเผื่อท่านมาเห็นท่านเข้าใจเราก็จะรับธรรมะนั้นเราก็ไม่ได้หวังที่จะเป็นพระสังฆะองค์ที่6แต่อย่างใดนะเพียงแต่ว่าเมื่อท่านเห็นว่าเรา เข้าใจเราได้ทได้รับธรรมะต่อมาอเพื่อให้เรากระจางแจ้งเท่านั้นเองนะแล้วไปเขียนติดไว้ที่ฝาผนังบอกว่ า, ากายเปียบเหมือนต้นโพอัจจเปียบเหมือนกระจกเงาเราต้องมันเช็ดถูกระจกเงาทุกวันเพื่อไม่ให้ให้ฝุ่นลงจับนะก็เขียนติดไวนะ้ก็ต่อมาพระสังฆท่านก็มามาเจอเข้านะ ท่านบอกว่าเป็นสโลกที่ดีนะแล้วก็ให้นําทุบเทียนมาสักการะบูชานะแล้วก็บอกว่าถ้าบุดไดปฏิบัติตามสโลกนี้ก็จะไปขึ้นสวรรค์นะนะแต่ท่านก็รู้แล้วละว่ามันยังไม่ใช่นะไม่ใช่นะต่อมาก็มีลูกศิษยนะ์ก็ท่องสโลกนี้ไปถึงที่ ล, ลุงครัวนะพระท่านเวรหลางได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่าเออสโลกนี้ก็ยังไม่ใช่นะ แต่ว่าท่านก็มีสโลกที่จะเขียนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าท่านเขียนหนังสือไม่ได้เราถ้าอ่านหนังสือต่างๆไม่ได้เลยก็ขอให้มีผู้ช่วยเขียนให้หน่อยท่านก็ให้เขียนว่าโภก็ไม่มีกระจกเงาก็ไม่มีฝุ่น จ, จะลงจับอะไรพอท่านเขียนเช้นนี้ปั๊บก็เป็นที่ตื่นตะลึงของหมูลูกศิษยนะ์ว่าโอ้อันนี้ เป็นธรรมะที่ชั้นสูงเลยนะแต่พาสังฆะองค์ที่ห้าท่านก็มาเห็นเข้าท่านก็รู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรนะท่านก็เลยเอารองเท้าลบบอกว่านี้ก็ไม่ใช่นะนะแต่ว่าท่านรู้แล้วล่ะว่าใครเข้าถึงธรรมนะแล้วท่านก็ไปที่โรงครัวก็เคาะไม้เท้าสามครั้งนะเป็นสัญญาณก็ ในคืนวันนั้นตอนยามสาท่านเวรหลางก็มาหาพระสังฆาอนุทหแล้วก็ได้รับการถ่า ย, ายทอดทำจากจิตสู่จิตนะแล้ก็ได้รับาบาตรและจีวรนะซึ่งเป็นเครื่องหมายของพระสังฆปริยานายกนะนำนำไปนะเพื่อให้เป็นสืบเป็นองค์ที่6ต่อไปแล้วเดินทางไปยังาภาคใต้ของท่านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเดิมเพื่อจะทําการเผยแพร่ต่อไปนะ อันนี้จะเห็นว่า <c oughs> สโลกทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะก็คือในสโลกแรกที่ท่านชินชาวเขียนก็คื อ, อากายนี่คือโพนะใจนีเปรียบสเสมือนกระจกเง า, าเราจะต้องมันเช็ดถูกระจกเงาทุกวันเพื่อไม่ให้ฝุ่นลงจับนะอันนี้ก็เป็นแ <c> ส <oughs> ดงถึงความที่เรียกว่ายังมีเข้าใจว่ากายมีอยู่นะใจก็มีอยู่เป็นของเราด้วยเราจะต้องอ ทำให้กิเลสลดลงอย่าให้เกิดขึ้นในใจของเรานะต้องคอยหมั่นเช็ดถูก็คือคอยกำจัดกิเลสจากใจให้หมดไปนะอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นในใจของเรานะเพราะว่าไม่มีกายและใจเป็นของเราอยู่นะส่วนของท่านเวลางก็คือนะไม่มีทั้งโพไม่มีทั้งอระจกเงาแล้วฝุ่นจะลงจับอะไรนะก็คือมันไม่มีทั้งกายและไม่มีทั้งใจแล้วกิเลส จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะนนี้เป็นประเด็นที่สําคัญเลยว่าตรงเนี้ยมันจะตรงกับหลักของพุอสงสาที่บอกว่าสภาวธรรมทุกอย่างน ะ, ะคื อ, อที่อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในนัตะลังทัศ์สูตบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย <c oughs> สังขารคือรูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายและใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาควรหรือตามคิดว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นั้นพระเจ้าข้าแลหลังนั้นก็ทรงแยกยะรูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนตาอย่างไรหลังนั้นก็ที่จบคําที่พระเจ้าแสดงก็ พระปัญญาคีซึ่งฟังทำทั้งหมดก็บรรลุเป็นพลัรหันทั้งหมดเลยก็คือหลุด จ, จากความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตต์ของเรานี่แหล ะ, ะมันก็ตรงกันในสภาวะนี้ที่ว่าคือกายและใจมันมันไม่ใช่เป็นตัวตนของเราตั้งแต่ต้นแล้วนะไม่ได้ว่าไปบัตธรรมเพื่อการถอดถอนอไม่ใช่ไปบัติธรรมเพื่อการละอัตตาตัวตนหรือละกิเลส ท, ทั้งหลายนะ เพราะว่ามันไม่ใช่งเรามกิเลสจึงไม่แช่งเราด้วยก็คือไม่ได้ฏปบัติเพื่อการนะละตัวตนหรือละกิเลสทั้งหลายแต่ว่ามั น, ม, นมันไม่ไม่ใช่ตัวตนของเรามาตั้ง ต, ตนแล้วนะเราก็เพียงแต่ถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนนี่แหละว่ามันเป็นตัวตนเราเมื่อเราถอดถอนได้แล้วมันก็คือมันจบในตรงนั้นนะมันหมดไปเลยกิเลสก็ไม่ทํางไปถอดไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไม่ต้ไปละนะเมื่อมันถอดถอนได้กิเลสก็ไม่ใช่งเรามันก็จบทั้งหมด เนี่ยตรงนี้ก็คือประเด็นที่ว่าท่านเวยหลางได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาปรินายองที่6ต่อมาก็เพราะความเข้าใจในตรงนั้นนั่นเองในตรงนี้นั่นแหล ะ, ะมันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะอันนี้ก็คื อ, อชาวพุทธของเราทุกวันนี้ก็มีความเข้าใจในระดับนี้นะมากน้อยเพียงใดนะมันเป็นประเด็นที่สาคัญที่ว่าคนทุกวันนี้อาจจะ อาจจะไม่เข้าใจในตรงนี้นะหรือว่าอาจจะทิ้งในตรงนี้ไปเลยก็ได้นะก็เลยมามุ่งมั่นนะในการที่จะชำระกิเลสต่างๆออกจากใจของตัวเองนะแต่ว่าไม่ได้ชำระไม่ได้ถอดถอนความเข้าใจผิดในการที่เข้าใจว่าในความเป็นตัวตนของเรานะแต่กลับไปถอดถอนกิเลสนะเมื่อไปถอดถอนกิเลสก็เลยบอกว่าเออทำไมปฏะิบัติธรรมหลายปีแล้วนะทำไมยังมีกิเลสอยู่นะทาไมยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ นะรู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าเลยนะแต่กลับมองไม่เห็นว่าเออเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นเขาแสดงให้เราเห็นแล้วว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นั่นเองนะเช่นกินเลสนะความรักความชังความโกรธเขาเกิดขึ้นมาแล้วเร า, เราต้องการให้เขาเกิดไหมนะแม้แต่ความคิดเราต้องการให้เขาคิดไหมนะความคิดก็เกิดขึ้นมาบ่อยๆทั้งวันแล้วเราต้องการให้เขาคิดไหม ถ That, ้ากรรมมาเห็นว่าตรงเนี s> <S ้ยเพราะเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะเขาจึงมีความคิดมากมายนะหรือความโกรธเราก็รู้ว่ามันไม่ดีนะเราทำไมมันเกิดขึ้นมาได้นะเพราะว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะแต่ไปคิดว่าเราต้องกําจัดเขาหมดไปมันจึงเป็นการตรงข้ามเลยนะที่ว่าเราจะเห็นความจริงว่าเราบังคับก็ไม่ได้แต่กลายว่าเราไปจัดการเขาให้เขาหมดไปนะมันจึงไม่ตรงความจริงนะหรือว่าเราปฏิบัติธรรมแล้ว เมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีเราก็ว่าเออทำไมเราไม่ดีนะนะทำไมเราปฏิบัติแล้วมันไม่ดีถาวรนะแต่กลับไม่เห็นความจริงว่านั่นแหละเขาแสดงพระไตรลักษว่าเราบังคับเ็าไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงนะจึงไม่เที่ยงนั่นแหละมันเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีมันจึงไม่เที่ยงนะนี่แหละมันเป็นสภาวะที่มันทนในสภาวะเดิมไม่ได้ทุกๆกอย่างนะมันจึงเป็นความทุกข์ ถ้ามันทนในภาวะเดิมได้มันก็ต้องเที่ยงต้องแน่นอนนะเนี่ยมันก็คือความทุกข์เพราะว่าความไม่เที่ยงนั่นแหละคือความทุกข์นะตรงเนี้ยมันมันเป็นความจริงที่ว่าอนัปุปกิติไม่กลับมามองเห็นในตรงนี้แต่ว่าต้องการให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการให้เขาดีทุกวันให้เขาเที่ยงทุกวันให้เขาไม่มีกิเลสนะอันนี้คือการที่เราไม่ได้กลับมารู้ความจริงในพระไตรลักษณ์ต่างหาก แต่เราเข้ามารู้ความจริงเลยพระไตรักว่าเออจริงๆแล้วเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้ไเขาจึงไม่ให้ตัวไม่ ต, ตนของเราเนี่ยมันตรงนี้มันคือการกลับมาเห็นความจริงนะแต่ถ้าเราไปบัตรแล้วเราสา ม, มารถบังคับบัญชาเขาได้ตามเราต้องการให้เขาดีถาวรให้เขาเป็นประดาที่เราต้องการทุกอย่างอันนี้มันจะกลายว่าตัวเรา เ, เนี่แหละไปบังคับเขาไดนะ้มันก็จะเป็นความยึดติดนะเป็นความยึดมั่นในตาตัวตนของเรากลับเพิ่มขึ้นมาอีก แทนที่จะละอัตตาตัว ต, วตวนออกไปนะีนะ่ยนะ ถ, ถ้าเราเข้าถึงความจริงตรงนี้นะมันการประธรรมก็จะเป็นความง่ายเป็นความง่ายเพราะว่าเราไม่ได้แบบเพื่อที่จะต้องได้อะไรนะเพื่อต้องได้สติได้สมาธิได้ปรรัญญาแต่อย่างไรนะเพราะสิ่งนั้นเราไม่ตไปหวังมันจริงๆและเป็นผลพลอยได้อยู่แล้วนะแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้กลับมาเห็นความจริงนะในความที่มันไม่ให้ตัวไม่ตนนะบังคับบัญชาไม่ได้ต่างหา นะเพื่อมันเห็นตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยอย่างอื่นมันก็จะพลอยเข้าใจไปด้วยว่าสิ่งต่างนั้นมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกขนะ์จิตก็จะไม่ยึดมั่นจืมถือมั่นนะจิตก็จะเกิดการนะการคลายออกการปล่อยการวางจากความที่เข้าใจในสภาวะธรรมเหล่านั้นนะแล้วจิตก็จะตรงกับสภาวะที่เป็นอาการนิโรธนะคือการออกจากทุกข์ก็คือการที่ทําให้ตัณหาอาจารย์คลายออกจากใจนะการที่ทําให้ ตันหาคลายออกนั้นก็คือเวลาคะนั่นเองเพราะเมื่อก่อนเราเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนั้นก็คือภวตันหาเป okay, ็นภวตันหาคือสมุทัยตัวหนึ no ่ one, персонаж. งความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะแต่เมื่อเราจิตเราคลายออกจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็คือเป็นเวลาคะเวลาคะคือการที่คลายออกจากตันหานั่นเองการทําให้ตันหาจางคลายนะหลังจากนั้นก็จะเกิดนิโรธ คือความการปล่อยการวางการการที่เราปฏินิสัโคคือการสลัดขึ้นตันหาอานารโยคือการปล่อยการวางแล้วก็ไปถึงสุดท้ายนะก็คือการทําให้ตันหาไม่มีที่อาศัยนะตรงนี้มันจะเป็นการที่เรียกว่าดับตันห า, าไปในตัวนะแต่ถ้าเราทําด้วยความตันหาอยากได้อยากมีอยากเป็น มันก็แทนที่ว่าเราจะละสมุทัยก็กลายเป็นว่าเราไปเจริญสมุทัยแทนนะเมื่อเจริญสมุทัยแทนมันก็เกิดความทุกตามานะเพราะว่าสมุทัยก็คือสาเหตุของความทุกขนั่นเองนะเพราะว่าเราอยากจะละกิเลสนะแต่ว่าปฏิบัติต้องนานแล้วมันยังมีกิเลสอยู่ในหลักก็คือความทุกขนะ์เพราะว่าเราจะทําให้ภนะาะวะที่มันขึ้นขึ้ น, นลงลงนะให้มันตรงให้มันตรงตามที่เราต้องการนะแต่ความที่มันตรงนั้นมันไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริง เพราะธรรมชาติที่แท้จริงของจิตก็คือความขึ้นขึ้ลงลงแต่เมื่อเราทําให้เขาตรงมันจึงกลับเป็นสภาวะที่ธรรมชาติของจิตอีกครั้งหนึ่งก็คือการขึ้นขึ้นลงลงเพราะนั้นเมื่อธรรมชาติของจิตก็คือการขึ้นขึ้นลงลงของลมต่างๆนั้นถ้าเราตรงกับเข้าแล้วนะเราเข้าใจเข้าแล้วในความขึ้นขึ้นลงลงเหล่านั้นแล้วเราก็ไม่ยึดติดเราก็เห็นว่าความขึ้นขึ้นลงลงของจิตมันก็คือ เป็นของเขาเองเป็นชั้นนั้นเองนะเป็นสภาวะที่เราบังคับก็ไม่ได้นะไม่ตัวไม่ตนของเราโดยที่เราไม่ต้องไปละกิเลสนะไม่ต้องไปละไม่ต้องทําให้เขาตรงแต่อย่างใดเพียงแต่เราเข้าใจในความเป็นจริงเช่นนั้นเนี่ยก็คือความพ้นทุกข์แล้วนะความพ้นทุกข์เกิดจากความเข้าใจความเข้าใจในความจริงหรือว่าธรรมชาติของจิตเท่านั้นเองนะว่าเขาเป็นสภาวะเช่นนั้นเองเราบังคับก็ไม่ได้เพราะนั้นเขาจริงขึ้นคืงลง แต่ตามได้เราไปเริ่มไปบังคับเขาให้เขาเป็นเส้นตรงมาไหลนั่นแหละคือความทุกข์ตามมาเนาะนั่นแหละเราเรายังไม่เห็นธรรมจริงๆว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาเนาะเพราะนั้น <c oughs> เพราะนั้นถ้าบุได้ที่เข้าใจธรรมะชิ้นนี้แล้วนะหลังนั้นก็จะเริ่มที่จะอาการบมารมก็จะง่ายขึ้นนะการปล่อยวางก็จะเริ่มมากขึ้นการไม่ยึดติดก็เริ่มมากขึ้นจิตก็จะไม่อะไรกับอะไรได้มากขึ้นนะการยอมรับในสภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้น เพราะว่าเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอาาการยอมรับก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึน้นนั่นนี่แหละก็คือหนทางความพ้นทุกข์นะหนทางนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ใกล้อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นเขาหรือไม่เท่านั้นเองนะเพราะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพ่นทุกท่านเทิด